บ o ๊กทูแปดสิบห้าเทตัวถามอดีตการหนึ่งพูเอสเ คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วซาเอนิพิร์คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วซากินิพุนันวคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วซากคนิสค ร, รูค ร, ร์ คุณนอนหลับสบายไหม Ckni t h e t e r k n i e t r คุณสอบผ่านได้อย่างไร Cemored provining? e m o r p r o v i i n คุณหาทางพบได้อย่างไร Cjethod r u g e j e t h o คุณพูดกับใครมาเมคเคคนฟลู ค, ค, ฟลคุณนัดกับใครมาเมคเคนลนตมเลติมคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา มเมคอฟ s ตู ด, ด่ลินเดียนเคเฟสตูดที่ลินดีนคุณไปอยู่ที่ไหนมาคูเค k ิ n นคูเชันคุณเคยอยู่ที่ไหนมาคูเคนนคูคนน คุณเคยทำงานที่ไหนมาเนิูนัวเนิูนัวคุณแนะนำอะไรไปแล้วชวาร์เนิคชลัวาร์เนิเรคอมันดัวคุณทานอะไรมาาร์เนิงเรน คคุณได้พบอะไรมาคคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ ส, ค, ส ค, คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่ ส, ส, สรุนาไปที่ www. b o o k t de